บทที่31เหตุผลลีลับอุปการะรับไหวแบบยิ้มในหน้าชักชวนสองหนุ่มสาววัยรุ่นเข้าห้องรับแขกเหมือนผู้ใหญ่ที่เห็นลูกหลานมาบ้านมากกว่าจะเป็นการต้อนรับระหว่างหมอดูกับลูกค้าเป็นไงมั่งหนูทายสบายดีหรือหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีจริงนัชเลยยิ้มกว้างขึ้นค่ะสบายดีทั้งที่มีเรื่องไม่น่าสบายใจเท่าไหร่นี่ใช่ไหมก็เออ คงอย่างนั้นมั้งคะอุปการะหัวเราะครึม้มถ้ามีเรื่องหน้ากลุ่มอยู่มากหลายแต่หน้าตาไม่สอ่อว่ากลุ่มสักเรื่องอย่างนี้แปลว่าใช้ได้แล้วละ่ะธรรมะถึงใจหนูแล้วปก ป, ป้องคุ้มครองหนูจากทุกทางใจได้แล้วเด็กสาวยิ้มแป้นด้วยความปลื้มในคําชมของผู้ทรงธรรมทายอยากถามพ่อหมอเรื่องหนึ่งคะ่ะคือเจ้าอุ้ยโหยหมาของทายเป็นไปตามคาทานายของพ่อหมอเมื่อคราวก่อน ที่ว่าเวลาของมันเหลือน้อยตอนนี้มันตายไปแล้วจริงๆหลอนเล่าเรียบเรื่อยเราวกับบรรยายความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศสิ่งที่ทรายอยากรู้คือตอนนี้เจ้าอุ้ยโหยไปอยู่ไหนและที่ทรายทําบุญส่งไปให้มันมันได้รับบ้างหรือเปล่าชายวัยกลางคนรับฟังคําถามแล้วนิ่งไปครู่หนึ่งเนื่องจากการกําหนดดูภพภูมิให้แม่นยําต้องใช้กําลังมากกว่าเหตุการณ์สามัน แต่สำหรับอุปการะไม่ถึงกับต้องหลับตาเข้าสมาธิเพียงลืมตาตามปกติแล้วกาหนดจิตเหมือนขึงผ้าให้ตึงทำฝ้าหมอกให้โปร่งใสกระทั่งมีความเป็นกลางพอจะล่วงรู้แจ่มชัดหน่อยเท่านั้นเกือบครึ่งนาทีต่อมาอุปการะก็ให้คำตอบเยี่ยงผู้ที่ผ่านการรู้เห็นมาอย่างละเอียดมันสบายขึ้นนะไปเป็นเปรตแล้ว น, นฉเฉลกําลังรอฟังยิ้มยิ้มด้วยความเชื่อมั่นว่า จะได้ฟังอะไรดีๆพอได้ยินคําว่าเปรตก็หูยิ้มกระทันหันทําหน้าเศร้าทันทีอ้าวเด็กสาวครางเสียงแห้งมันไม่ได้เป็นคนหรือไปเป็นเทวดาหลอกหรือคะผู้ทําหน้าที่ตอบเรื่องลี้ลับยิ้มอย่างคนใจดียังหลอกมันยังติดอยู่ในอบายแต่เป็นเปรตก็ดีกว่าเป็นเดรัจฉานมากแล้วละ่ะปลอดโปร่งและสะอาดสบายกว่าเดิมเยอะ เด็กสาวทำหน้าอึ้งงงความคาดหมายทั้งปวงพริกกับตรปัดหมดร่ำร่ำจะทวงสัญญาที่พ่อหมอเคยบอกหล่นไว้ว่าเจ้าอุ้ยโหยจะไปดีซึ่งพ่อหมอก็รู้ใจตอบดักคอเสียก่อนมันอยู่ในช่วงพักรอที่จะไปดีนะหนูทรายคนไทยฟังคำว่าเปรตแล้วมักนึกถึงตัวปากแหลมสูงชะลูดเท่าเสาทรเลขแบบในหนังความจริงยังมีอะไรมากกว่านั้นเยอะ ที่คล้ายเทวดาก็มากเพียงแต่ไม่สบายได้ตลอดและไม่มีความคิดอ่านเท่าจิตวิญญาณชั้นสูงตอนมันกําลังขาดใจหนูสัมผัสกระแสสว่างบางอย่างจากมันทำให้หนูชื่นใจมากก็นึกว่านั่นหมายถึงกระแสสวรรค์เสียอีกการจากไปสู่พบที่ดีกว่าก็ให้ความรู้สึกแช่มชื่นทำนองนี้แหละเขาตั้งใจเล็งดูในตาเป็นประกายวับ ตอนนั้นหนูเพิ่งกลับจากทำบุญแล้วมันโดนรถทับใช่ไหมค่ะผู้อ่อนวัยตอบรับเป็นปกติอย่างไม่แปลกใจในอำนาจล่วงรู้ของอุปการะแม้แต่น้อยอดิตกรรมบางอย่างทำให้ชาตินี้มันต้องตายทรมานเลยขึ้นสูงทันทีไม่ได้ต้องไปพักในภูมิเปรตชั่วคราวก่อนแต่ถัดจากนี้พอจิตของมันค่อยๆ ค, คุ้นสภาพใหม่มากขึ้นและพอจะมีกาลังเลือกถึงบุญกุศลในหนหลัง ก่อนขาดใจได้ก็จะแจ้งเกิดเป็นมนุษย์กับเขาคำปลอบยังไม่ทำให้นัชเลสบายใจที่เคยหายห่วงก็กลับมาพวงใหม่อีกความจริงที่เตรียมใจมาวันนี้เพื่อขอทราบว่าอุ้ยโหยไปเกิดใหม่นะแห่งหนตำบลไหนจะได้ตามไปอุปถัมต่อแต่กลับต้องมาพบคำตอบว่ามันเป็นได้แค่เปรตเสียหนี้เป็นเปรตประเภทรับส่วนบุญได้หรือเปล่าคะ มีทางที่หนูจะช่วยให้มันเกิดใหม่ดีกว่าเปรดเดี๋ยวนี้เลยไหมยอย่าใจร้อนเลยโดยมากสัตว์ที่ตายด้วยอุบัติเหตุมักต้องไปพักรอเลิกเกิดใหม่ทั้งนั้นแหละตอนนี้มันก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรแค่นึกว่าตัวเองเป็นหมายอยู่และท่องเที่ยววิ่งเล่นไปท่ามกลางสนามหญ้าที่มีดอกไม้สวยสะพรั่งน้เลเบิกตากว้างหรือคะงั้นที่หนูเห็นในฝันก็เป็นเรื่องจริงนะสี หนูนึกว่าจิตปรุงแต่งไปเองเสียอีกก็อยากเข้าใจว่าตรงจริงเสียทั้งหมดความฝันนั้นเอาแน่เอานอนยากอย่าถือเป็นอารมณ์ก็ดีในฝันหลายครั้งชัดมากๆ ม, มันเหมือนมหาจริงๆความเหมือนจริงและสีสันคมชัดของฝันคือเครื่องวัดว่าใช่ได้หรือเปล่าคะของพวกนี้ยากจะชี้คนต้องมีจิตที่ปราศจากความเข้าข้างตัวเองแล้วก็มีกาลังสมาธิระดับหนึ่ง ถึงจะมียานอย่างรู้สามารถแยกแยะออกความชัดหรือความมัวมนไม่ใช่มาตรวัดความจริงได้เสมอไปเจ้าอุ้ยหอยมีเพื่อนไหมคะถามอย่างเกรงว่าลูกชายสุดสวาสของตนจะเงาก็รวมอยู่กับเปรตที่มีลักษณะใกล้เคียงกันคือเพิ่งตายจากความเป็นสัตว์มีบุญพอตัวสวยสุขตามควรแต่ยังไม่ถึงขนาดสงให้พ้นอบายได้เชื่อเถอะ สัตว์ในสังสารวัตมีมากนับอนันต์แต่ละนาทีจะมีจิตที่อยู่ในระดับภูมิเดียวกันมาเป็นเพื่อนเสมอเว้นแต่ต้องถูกขังเดี่ยวด้วยกรรมเฉพาะตัวซึ่งก็ใช่จะหาได้ง่ายๆแล้วมันกินอยู่ยังไงคะพบของมันจะมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารไม่ถึงกับอุดมสมบูรณ์แต่ก็ไม่ถึงกับขาดแคลนยอมดินบางแห่งปรากฏเหมือนอาหารสุนัข สบางแห่งก็มีน้ำใสน่ากินมันหิวบ้างหรือเปล่าก็เป็นบางคราวความหิวเป็นลักษณะนหนึ่งของภูมิเปรตแต่บุญเก่าจะจัดหาอาหารให้อุ้ยโหยกับพรรคพวกของมันเองไม่แสบท้องนานหรอกแย่จริงซ้ายอยากเป็นคนหาของให้มันกินจังเลยเอ่ยออกมาด้วยใจผูกพันแล้วน้ำตาพาันจะไหลจนต้องขบริมฝีปากเพื่อสะกดความรู้สึกไว นูซายอย่าห่วงเลยสำหรับภูมิที่เจ้าอุ้ยหวยไปอยู่นี่จะมีบางคาบบางเวลาที่มันรู้สึกว่ายืดตัวขึ้นหยัดสองขาได้แล้วก็มีความคิดอ่านมีสำนึกคล้ายมนุษย์อยู่บ้างในคาบเวลานั้นมันสามารถหาผลไม้จากป่าโปร่งได้สะดวกกว่าพวกคนป่าเสียอีกนัชเลทำหน้าฉงนเป็นภูมิที่แปลงร่างได้ด้วยหรือคะ เปรตจำนวนมากเปลี่ยนสภาพสลับกันไปสลับกันมาอย่างคาบเวลาที่เจ้าอุ้ยหยยืดตัวขึ้นมายืนสองขาได้นั้นก็เพราะแรงกุศลจากอดีตชาติบัรดาจิตให้สว่างรู้คิดขึ้นชั่วครู่มันจะรู้สึกคล้ายเด็ก5ขวบคนหนึ่งทีเดียวถ้าจิตสว่างเป็นกุศลได้เหมือนมนุษย์อย่างนั้นทำไมถึงไม่ไปจุติไปสู่สุคติเสียเลยต้องรออะไรด้วยล่ะคะเพราะกาลังกุศลของมัน อ่อนเกินกว่าจะปฏิวัติวิญญาณให้เลื่อนชั้นไปสู่ภพที่สูงกว่านั้นเนื่องจากในภพที่เป็นหมาบุญของมันเกิดจากการพรอยยินดีรับส่วนกุศลจากหนูลุ่นล้วนไม่ใช่บุญอันเกิดจากกุศ ล, ลเจตนาของตัวมันเองแถมตายไม่ค่อยสงบอีกเลยยังครึ่งๆกลางๆอยู่พอฟังเหตุฟังผลสาวน้อยเจ้าของสุนัขแสนรู้ก็คลายสีหน้าลง ด้วยความเข้าใจกฎเกณฑ์ของโลกวิญญาณหลังความตายมากขึ้นในวาระแห่งการละจากความเป็นสหายของหมูสัตว์หนึ่งไปสู่ความเป็นสหายของอีกหมูสัตว์หนึ่งกำลังบุญที่สั่งสมมาคือตัวตัดสินดีเป็นดีร้ายเป็นร้ายมีแค่ไหนต้องเอาแค่นั้นเอาใจช่วยให้มากกว่านั้นไม่ได้แล้ววิบากกรรมนี่น่ากลัวจังนะคะใครจะรู้ว่าอากุศลแต่หนไหนตามมาให้ผลได้ตายสงบ หรือต้องตายทรมานตอนมันเป็นลูกหนูที่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กอยู่นั้นก็คึกขนองไปตามเรื่องชอบทรมานสัตว์เล็กๆจับมาบทขยี้ให้ตายทั้งเป็นด้วยของใกล้มือด้วยความสนุกโดยไม่รู้เลยว่านั่นเป็นบาปกามที่ทำด้วยความเคยชินนั้นพอเป็นสัตว์บ้างเลยต้องตายทรมานมาหลายครั้งแล้ว น, นฉเฉลนึกถึงครั้งที่จู๊ด อุ้ยโหยก็ตะปบผีเสื้อเล่นซึ่งผิดวิสัยสุนักเทอเรียนั่นคงเป็นนิสัยเล่นสนุกกับชีวิตอื่นโดยไม่ตรหนักว่าเป็นบาปและนี่เองคือเหตุของผลอันเป็นธรรมดาไม่มีใครช่วยแก้กรรมที่ทำไปแล้วให้กันได้ใครทำอะไรไว้ก็ต้องเสวยผลอันเกิดจากการกระทำนั้นไม่ช้าก็เร็วสาวน้อยเจ้าของสุนัขชะตาขาดปงตก ใจวางเฉยเป็นอุเบกขายิ่งพุทธพศหนึ่งอย่างซึ้งเข้าถึงจิตถึงใจจนต้องกระพริบตาเอ่ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจริงๆนะคะอุปการะยิ้มเอ็นดูแต่หนูก็เป็นยิ่งกว่านายคือทำตัวเป็นทางลัดให้มันขึ้นสูงกว่าเดิมได้จากที่พ่อหมอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในพบใหม่ของอุ้ยโหยหนูก็พอจะมองออกอีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภูมิเปรตมีความแปรปรวนลุ่มๆุมดอนดอนเอาแน่เอานอนไม่ได้คือรู้สึกเหมือนอุ้ยโหยติดอยู่ในฝันเลยอย่างนั้นแหละอัตภาพแบบเปรตนั้นไม่คงเส้นคงวาไม่มีร่างหยาบคงที่เหมือนอย่างมนุษย์แม้แต่สภาพจิตก็กลับไปกลับมาโดยไม่จำเป็นต้องมีสิ่งกระทบภายนอกเข้ามากระทำเดี๋ยวจาได้เดี๋ยวจาไม่ได้เดี๋ยวคิดเรื่องกุศลเดี๋ยวคิดเรื่องอกุศล เวียงไปเวียงมาระหว่างสองขั้วแถมยังมีภูมิซ้อนๆกันอยู่จำแนกแยกย่อยได้มากมายไม่ซ้ำแบบกันสุดแต่กรรมของใครของมันจัดสรรให้หนูเข้าใจถูกไหมคะพบเปรตนี่จะมีความจำความรู้สึกนึกคิดในชาติก่อนฝังแน่นอยู่โลกของเปรตเป็นโลกของความผูกพันกับอารมณ์เก่าๆจิตยึดติดกับอะไรมากก็เชื่อมโยงกับสิ่งนั้นมาก อย่างตอนนี้เจ้าอุ้ยโหยกุประธานว่าหนูยังอยู่กับมันบางทีก็วิ่งตามหาหนูไปเรื่อยๆด้วยความรอคอยว่าเมื่อไหร่จะเจอน้ะเลสะอึกอึง้งในตารื้นน้ำขึ้นมาอีกทายก็อยากให้มันดีใจที่ได้เห็นทายค่ะการที่หนูยังคิดถึงอุ้ยโหยไม่เลิกก็ทำให้จิตหนูเป็นขั้วต่อกับมันและเลี้ยงอุปทานของมันไว้อย่างนั้น ถ้าต่างฝ่ายต่างคิดถึงพร้อมกันจิตก็จะเชื่อมต่อกันหากเชื่อมติดระหว่างหนูลืมตาตื่นอยู่ก็จะมาในรูปของความคิดถึงรุนแรงและรู้สึกเหมือนกับยังอยู่ใกล้ๆตัวแต่ถ้าจิตเชื่อมติดระหว่างหนูหลับฝันก็จะปรากฏเป็นนิมิตเสมือนจริงราวกับสัมผัสได้ด้วยกายปกติมันเห็นทรายเหมือนที่ทรายเห็นมันหรือเปล่าคะต่างฝ่ายต่างเห็นออกมาจากมุมมองของตัวเองนั่นแหละ การปรุงแต่งของจิตเป็นเรื่องพิสดารถ้าจิตใครกำลังฟองฟูก็เห็นอีกฝ่ายสดใสถ้าจิตของใครกำลังฟุบแฟบก็เห็นอีกฝ่ายหม่นมองแต่ถ้าจิตของใครมีสติและเป็นกลางก็จะเห็นอีกฝ่ายตรงตามจริงหรือใกลเคียงกับภาวะของเขามากที่สุดเสียดายถึงแม้ผูกพันพอจะสื่อกันได้ด้วยใจสายก็คงทาอะไรให้มันดีขึ้นไม่ได้นชเลทำตาลรห้อย นึกอยากต่อรองขอความช่วยเหลือจากอุปการะขึ้นมาอีกแต่พ่อหมอเป็นผู้ทรงญาณ น, น่าจะแผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนกุศลให้มันพ้นจากอบายได้ถ้าหากเพิ่งตายจากความเป็นมนุษย์ร่วงหล่นไปสู่ความเป็นเปรตอย่างนี้ก็พอรู้เรื่องบุญเรื่องกุศลง่ายหน่อยสามารถหวนกลับมาคิดอ่านแบบวิญญาณชั้นสูงได้ทาให้หลุดจากภพเปรตไม่ยากนะัก เพียงแค่เจอแสงสว่างจากจิต ท, ที่แผ่เมตตามาให้แรงๆพอที่จะรู้สึกเย็นซานปราบปลื้มปิติเหมือนตอนเราอยากยิ้มทั้งน้ำตาด้วยแรงศรัท ธ, ธาภาษาทะก็ปลุกให้ระลึก ถ, ถึงบุญเก่าที่เคยทำทำสะสมไว้ระหว่างเป็นมนุษย์ได้อย่างนี้จิตถึงมีโอกาสปฏิวัติได้เลื่อนชั้นปลักปรับทันใจนชเลยิ้มซึมอย่างเข้าใจเงื่อนไขแปลว่าถ้าเพิ่งพ้นจากภาวะความเป็นสัต เลื่อนชั้นขึ้นเป็นเปรตก็รับกุศลจากคนอื่นได้ยากอย่างนั้นใช่ไหมคะอืมคือเอาอย่างเจ้าอุ้ยโหยของหนูเนี่ยปัจจุบันมันยังคึกขนองแบบหมาอยู่มากหนูก็รู้ว่าเจ้าพวกนี้ถ้ามันพอใจกับความสนุกสนานเฉพาะหน้าแล้วเรื่องอื่นก็ไม่สนใจหรอกแต่เมื่อไรความคึกขนองจางลงมันก็จะสงบเย็นเหมือนตอนฟังหนูอ่านหนังสือธรรมะแล้วค่อยๆรลึกถึงภาพและเสียง ที่ก่อให้เกิดกระแสกุศลพอจิตสว่างเต็มรอบเมื่อไหร่ก็ขาดจากความเป็นเปรตไปเองแล้วการที่หนูทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้มันบ่อยๆจะมีส่วนช่วยร่นเวลาให้เร็วขึ้นได้ไหมคะสำหรับเจ้าอุ้ยโหยพบต่อไปที่เหมาะกับมันคือมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ต้องรอเลิเกิดที่สมกับกรรมด้วยการอุทิศส่วนกุศลของหนูนั้นดีแล้วทาไปเถอะเหมือนสาดน้าเย็นข้ามมิติไปให้มันชุ่มฉ่าชื่นใจ และมีสำนึกทางกุศลแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีส่วนเร่งรัดให้มันขาดจากพบเปรดเร็วกว่าเดิมหรอกเด็กสาวพยักหน้าอย่างปราศจากกังขาใดๆอีกเข้าใจกระจ่างทุกอย่างแล้วค่ะเห็นแล้วใช่ไหมละ่ะว่าการเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่ขึ้นสูงกันง่ายๆคะ่ะที่อวยพรสงสีให้ใครไปดีก็สักแต่เป็นความหวังดี สักแต่เป็นแค่กุศลจิตของผู้อวยพรแต่ไม่มีผลให้ใครได้ดีตามปากเลยล้วนแต่ต้องพึ่งกรรมของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นจองเรกิกนิ่งฟังมานานก็ถึงจังหวะที่นึกอยากถามบ้างแล้วการเปลี่ยนภพภูมินี่โดยมากคือต้องเลื่อนชั้นเป็นขั้นๆหรือครับเช่นจากความเป็นสัตว์นรกมาสู่ความเป็นเดรัจฉานจากความเป็นเดรัจฉานไปสู่ความเป็นเปรต ก่จะเลื่อนชั้นจ ร, จริงๆเวียนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกโดยมากก็อย่างนั้นอุปการะตอบนิ่มนวลผมเคยส่องๆดูเล่นอยู่เหมือนกันที่จริงการเวียนไหวตายเกิดเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมินี่เป็นเรื่องพิสดารกว่าการเปลี่ยนแปลงทุกชนิดที่เราเห็นกันด้วยตาเปล่าสัตว์ในสังสารวัตรพุ่งหลาวจากความเป็นอย่างนี้ไปสู่ความเป็นอย่างนั้นกระโดดจากความเป็นอย่างนั้นไปสู่ความเป็นอย่างนี้หาความสิ้นสุด โดยบังเอิญไม่ได้และถ้านิมิตของพบอบายเกิดขึ้นครั้งหนึ่งส่วนใหญ่ก็นักต่อไปได้เลยว่าจะมีนิมิตอบายตามมาอีกหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหรือหลายแสนครั้งกว่าที่จะเห็นนิมิตสุกติภูมิปรากฏขึ้นใหม่นัชเลททำหน้าเยหน้ากลัวจังค่ะแค่กว่าตาดูภาพสัตว์เป็นร้อยเป็นพันก็น่าเบื่อแย่แล้วถ้าต้องรอนแรมเดินทางไกลไปเป็น นั่นเป็นนี่จริงจะยิ่งหน้าไหนกว่านั้นขนาดไหนแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่านิมิต ท, ที่เห็นเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งนั้นคือของจริงทั้งหมดนั่นเป็นคําถามจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ละพยศเสียได้อุปการะสัมผัสว่าจองเลิกอยากรู้เหตุผลด้วยความละม่อมไม่ใช่ความอยากอวดกล้าคัดง้างจากใจกระด้างดังเคยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นโม่โม้อ หรือสามารถเห็นความผูกโยงเป็นเหตุเป็นผลระหว่างชาติต่อชาติประเภทที่เห็นตัวเองเป็นคนป่าบ้างเป็นเศรษฐีบ้างเป็นกษัตริย์บ้างโดยอธิบายไม่ถูกว่าทำไมถึงไปเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นเสี่ยงต่อการถูกอุปทานหลอกแล้วแต่ถ้าเป็นผู้มีฐานความรู้มีมุมมองมีความเห็นชอบเกี่ยวกับกรรมวิบากอยู่เป็นทุน สามารถอธิบายถูกว่าไปเป็นอะไรอย่างหนึ่งด้วยกรรมนำเกิดที่สมกันแบบไหนนั่นถึงจะเรียกว่าเข้าเขาจองเิกมีเครื่องบันทึกเสียงซึ่งกำลังเปิดทำงานอยู่ในกระเป๋าเสื้ออยู่แล้วแต่เขาก็จดโน้ตสั้นใส่กระดาษอีกด้วยความกระหายเพราะสิ่งที่พ่อหมออุปการะกล่าวจะเป็นการจุดประกายให้กับปลิธกรรมชิ้นโบแดงของเขาตามความเข้าใจจากที่ผมฟังพ่อหมอพูดถึงเจ้าอุ้ยโหยมา มันเลื่อนชั้นจากสัตว์ไปเป็นเปรตก็เพราะพรอยินดีกับกุศลของทายบ่อยๆถูกไหมครับถูกต้องแล้วคำที่ตกแต่งให้มันไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีน่าบันเทิงใจล่ะครับคืออะไรก็ด้วยน้ําหนักความยินดีในกุศลนั่นแหละหนูทายป้อนกุศลให้จนจิตมันเข้าขั้นเบิกบานความเบิกบานในบุญนั้นก็จัดสรรให้ได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกัน เด็กหนุ่มพยักหน้าอย่างเห็นความสมเหตุสมผลในระดับที่คิดตามได้แล้วอย่างถ้าพ่อหมอจะดูว่าชาติก่อนผมเคยเป็นอะไรมาหรือเคยทําอะไรมาบ้างพ่อหมอจะเริ่มดูจากตรงไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องอยากรู้เรื่องตัวเองในแง่ไหนถ้าน้องถามว่าเคยเป็นอะไรผมก็จะดูเป็นภาพใหญ่ภาพรวมว่าอัตภาพเดิมของน้องในครั้งก่อนมีรูปลักษณ์แบบไหน ภูมิจิตอยู่ในภพระดับล่างหรือระดับบนแต่ถ้าน้องถามว่าเคยทำอะไรมาผมก็จะดูเป็นเรื่องๆนับจากที่เห็นง่ายจากภายนอกก่อนเช่นกรรมอะไรนำน้องมาเกิดเป็นมนุษย์กรรมอะไรทำให้น้องเป็นชายกรรมอะไรตกแต่งรูปร่างหน้าตาให้เป็นอย่างนี้กรรมอะไรเสริมส่งให้น้องมีฐานะการเงินระดับนี้กรรมอะไรจุดประกายให้น้องฉลาดขนาดนี้ นี่เรียกว่ามีจุดเชื่อมโยงแรกที่อิงอยู่กับหลักฐานเห็นได้จริงแล้วจองเลิกจดบันทึกด้วยความสนใจพอจดเสร็จก็เหงยหน้าขึ้นถามหมายความว่าถ้าเราจับจุดจากเหตุผลของการเป็นอย่างที่เห็นง่ายๆได้ถูกก็จะสามารถสืบสาวลึกซึ้งต่อไปถึงกรรมวิบากด้านอื่นๆด้วยใช่ไหมครับก็ไม่เชิงความอย่างรู้ของผู้มีฌานเป็นเรื่องอจินไตย คือน้องหาเหตุผลไม่ได้หรอกว่าทำไมถึงรู้เมื่อรู้ก็รู้มันเป็นเรื่องของคุณภาพจิตไม่ใช่ว่าต้องสืบสาวเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนที่น้องเจาะระบบดาวเทียมพอแตะจิตเข้าไปที่ความเป็นน้องในปัจจุบันผมอยากรู้อะไรก็กาหนดน้อมไปรู้ตรงๆแปลว่าข้อมูลทุกอย่างทั้งอดีตและอนาคตรวมอยู่ที่ตัวตนในปัจจุบันนี้แล้วภาพของอดีตกับภาพของอนาคตแตกต่างกัน ตัวตนในปัจจุบันเพียงพอที่จะชี้ชัดได้ว่าอดีตเป็นมาอย่างไรแต่ถ้าพูดถึงอนาคตตัวตนในปัจจุบันแค่ชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องประสบกับอะไรบ้างและมีสิทธิ์ก่อกรรมอะไรบ้างเด็กหนุ่มแข็งขันจดสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตนนั่นคือปัจจุบันเป็นรากของอนาคตที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วเงยหน้าเม้มปากนิดหนึ่งก่อนยิงคำถามตรงไปตรงมา ในตาคมกริบด้วยความคาดหมายสูงล้ําพ่อหมอรู้ใช่ไหมครับว่าผมคิดจะทําอะไรอุปการะทอดมองฝ่ายอ่อนวัด้วยแววเมตตาและตอบตรงๆเช่นกันน้องกําลังคิดสร้างเครื่องมือพิสูจน์ว่ากรรมวิบากมีจริงจองเลิกยืดกายขึ้นตรงด้วยความตื้นตันคําตอบที่ยืนยันว่าอุปการะรู้จริงในบัตรนั้นมีความหมายกับจิตใจของเขามาก งั้นผมขอถามแบบไม่อ้อมค้อมนะครับผมจะทำสำเร็จไหมขอรู้เสียแต่เนิ่นๆเผื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปล่าหมอดูใหญ่นิ่งไปในลักษณะการไตรตรองว่าจะพูดอย่างไรให้ผมตอบอย่างนี้ดีกว่าในที่สุดอุปการะก็เอ่ยเนิบนาบจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับวิธีที่น้องตั้งคำถามเด็กหนุ่มขมวดคิ้วผมไม่เข้าใจ วันนี้น้องมาเพื่อตั้งคำถามเรื่องกฎแห่งกรรมวิบากเพื่อนาไปจับจุดและทำเป็นตัวตั้งไม่ใช่หรือครับจองเริกยอมรับนั่นแหละผมบอกว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับวิธีที่น้องตั้งคำถามเพราะคำถามของมนุษย์นั้นแสดงทิศทางชีวิตของเขาว่ากำลังมุ่งไปจุดหมายปลายทางแบบไหนหมายความว่าถ้าผมตั้งโจทย์ถูกก็จะค้นคว้าวิจัยได้ถูก และประดิษฐ์เครื่องพยากรกรรมสำเร็จในที่สุดใช่ไหมครับน้องมีศักยภาพที่จะทำได้ว่าจาเหมือนบ่ายเบียงหลีกเลี่ยงที่จะให้คำตอบชัดชัดนั้นทำให้จองเลิกคาใจเป็นอย่างยิ่งถ้าผมตายก่อนประดิษฐ์เครื่องนี้สำเร็จก็แปลว่ายังไม่หลุดจากบ่วงกรรมที่แกล้งคนไว้เป็นล้านใช่ไหมถึงน้องจะประดิษฐ์เครื่องพยากรกรรมสำเร็จก็ใช่ว่าจะทำให้หลุดจากบ่วงกรรมเก่าไปทั้งหมดได้ บุญส่วนบุญบาปส่วนบาปแต่ถ้ากำลังบุญมันเกินกำลังบาปใจน้องก็พึ่งบุญได้ถนัดถนีหน่อยเหมือนได้ทุ่นไว้เกาะอาศัยกลางทะเลถึงฉลามมันจะมางา่าปก็ไม่ถนัดนักต่างจากลอยคอตั ว, ตวเปล่าโดยปราศจากหลักยึดเด็กหนุ่มอดีตจอมแกล้งระดับโลกกระพริบตาปริบๆเขาจะต้องเสียดายซ้าครั้งแล้วครั้งเล่าไปจนช่วชีวิตกระมัง ว่าไม่น่าเลยเพียงเพราะรู้เท่าไม่ถึงการเพียงเพราะไม่ทราบว่าทุกการกระทํามีผลเพียงเพราะได้พบกัลยาณมิตรก็สายเกินไปเขาด่วนลงมือทํากรรมหนักไปเสียแล้วและธรรมชาติก็เหมือนวางกฎเอาไว้คือการคิดทําชั่วนั้นง่ายกว่าริเริ่มทําดีความดีมีคนปูทางให้น้อยขณะที่ความชั่วมีคนขางทางนําร่องไว้เยอะแยะแถมกรรมชั่วหลายๆชนิดนั้นใช้เวลาทํานิดเดียว แต่กลับให้ผลยืดยาวแม่เหนื่อยหนายใจจะขาดเพียงใดก็ต้องก้มหน้าก้มตารับวิบากไปเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดเสียอีกผมคิดสร้างเครื่องพยากรณกรรมจองเลิกพูดเสียงแหบแบบคนใจคอไม่ดีและเริ่มเสียความเชื่อมั่นในตนเองก่อนอื่นคงต้องเริ่มต้นจากการรู้เรื่องกฎแห่งกรรมวิบากให้ครอบคลุมเพียงแต่เออในระยะยาวถ้าขาดผู้รู้ให้คาปรึกษาก็อาจเคว้งคว้าง เพราะระหว่างค้นคว้าประดิษฐ์คิดคน้นคงติดขัดด้วยข้อหน้าสงสัยอีกมากอุปการะยิ้มละไมอบอุ่นอย่างให้กำลังใจผมจะอนุญาตอย่างนี้ต่อไปน้องโทรศัพท์หาผมได้ตลอดถ้าน้องเอาจริงเอาจังทุ่มเทเวลา24ชั่วโมงให้กับงานก็เอาผมเป็นที่ปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันคำเสนอตัวช่วยเหลือของผู้วิเศษทาให้นักประดิษฐ์หนุ่มใจชื้นขึ้น เพราะถ้าอุปการะไม่เล็งเห็นความสำเร็จเป็นประโยชน์ใหญ่อยู่บ้างก็คงไม่ยอมบริจาคเวลาส่วนตัวให้เขาเพื่อความสิ้นเปลืองเปล่าอย่างแน่นอนผมมีคำถามจะถามพ่อหมออีกเกือบ200ข้อจองเลิกชูกระดาษขนาด A4 ส3าแผ่นในมือให้ดูยิ่งตั้งคำถามกิ่งก้านสาขาของคำถามก็ยิ่งแตกออกไปมากขึ้นทุกทีถึงตอนนี้ขอสารภาพคือผมไม่แน่ใจแล้วว่า จะเริ่มถามข้อไหนก่อนยิ่งพ่อหมอบอกว่าคาถามของผมในวันนี้จะเป็นตัวชี้ชะตาความสำเร็จเลยเออยิ่งทำให้รู้สึกประมาเอางี้พ่อหมอผู้พิเศษช่วยตัดสินให้อย่างเป็นงานเป็นการน้องเริ่มจากการเล่าแนวคิดที่น้องจะประดิษฐ์เครื่องพยากรณก์รมให้ผมฟังพอผมเห็นช่องทางเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมรู้ผมก็จะชี้เป็นจุดๆไปอย่างนี้ดีไหม ดีครับจองเริกรับคําด้วยความโล่งใจขึ้นและเริ่มต้นอธิบายจากมุมมองที่เห็นง่ายสําหรับอุปการะผมพยายามเปิดใจกว้างๆเข้าไปศึกษ า, าศาสตร์ต่างๆที่อาจบอกความเป็นมาเป็นไปของมนุษย์ได้ลึกๆแล้วก็พบาศาสตร์น่าสนใจเช่นการดูลายมือซึ่งเดี๋ยวนี้พวกที่ชํานาญการได้พยายามอธิบายปรากฏการ์เกี่ยวกับลายมืออย่างเป็นวิทย า, าศาสตร์มากขึ้น เช่นพิสูจน์ด้วยหลักสถิติหรือสองดูความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นสมองกับการเปลี่ยนแปลงปลายมือกันอุปการะพยักหน้ารับรองก็ถูกนะเพียงก้มหน้าสังเกตมือตัวเองทุกคนในโลกต้องยอมรับกันว่าลายมือมีทั้งเส้นหนักที่เปลี่ยนยากแล้วก็มีเส้นรองรองที่เปลี่ยนง่ายหรือบางทีก็ปรากฏแล้วเลือนลงอย่างรวดเร็วเพียงแต่ไม่สนใจสังเกต หรือสังเกตแต่ไม่สามารถวิเคราะห์ว่าที่มาที่ไปของลายมือเป็นอย่างไรเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังลายมือก็คือกรรมเก่าทั้งเก่าและทั้งใหม่ถ้าเป็นกรรมเก่าโดยมากจะมาในรูปเส้นสายตายตัวหรือเปลี่ยนยากและติดตัวมาแต่เกิดส่วนถ้าเป็นกรรมใหม่ก็มักปรับเปลี่ยนกันด้วยคลื่นสมองอย่างที่น้องคงรู้แล้วลายมือบอกเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตได้จริงใช่ไหมครับจริงเหมือนแผนที่ ที่ไม่ได้วาดขึ้นมุมมั่วแต่ก็ใช่จะอ่านง่ายนักเพราะแผนที่อยู่ในรูปรหัสลับแกะยากหน่อยตรงนี้แหละครับที่ผมอยากขอคำยืนยันจากพ่อหมอเพราะถ้าหากลายมือเป็นแผนที่ชีวิตจริงก็แปลว่าเราอาจสืบรหัสชีวิตกันได้ตั้งแต่ก่อนเกิดเสียอีกทำยังไงแกะรอยเข้าไปให้ถึงต้นกำเนิดเส้นลายมืออุปการารีตา แม้ส่งความรู้เรื่องลี้ลับกว้างขวางเพียงใดก็ยังไม่คุ้นกับวิทยาการล้ำยุคที่บรรจุอยู่ในสมองของหนุ่มรุ่นลูกวิทยาศาสตร์ช่วยให้เข้าถึงได้หรือได้ครับอาศัยข้อมูลที่มีตั้งแต่ทุกคนยังเป็นเซลเพียงเซลล์เดียวคือถ้าการสันนิษฐานของผมถูกต้องก็แปลว่าอาดีตและอนาคตของทุกคนปรากฏอยู่ในรูปที่อ่านได้นับตั้งแต่แรกปฏิสนธิแล้ว ขอเพียงรู้วิธีที่จะอ่านให้ออกเท่านั้นหมอดูผู้ทรงฌานนิ่งไปอึดใจก่อนเอ่ยผมดูจากความคิดของน้องนะน้องตั้งใจจะใช้วิธีการทางคอมพิวเตอร์วาดรูปของเด็กที่ยังไม่เกิดล่วงหน้าตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยกลางคนประจนถึงวัยชาราโดยทํานายกํากับไว้ได้ด้วยว่าแต่และ ว, วัยจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างรวมทั้งระบุอย่างชัดเจนว่า ที่ช่วงชีวิตต่างๆประสบวิบากด้วยเพราะกรรมชนิดใดซึ่งถ้าทำได้ถูกต้องแม่นยำก็เป็นอันพิสูจน์ชัดว่าอดีตชาติมีจริงกรรมวิบากมีจริงและรูปกายกับเหตุการณ์หลักๆคือผลที่เกิดจากเหตุไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโดยบังเอิญจองเริกตัวแข็งทั้งดีใจทั้งเกรงกลัวรักคนกันถ้าผมทาสาเร็จจะได้รับผลทันตาอย่างไรครับ การทำให้มหาชนรับรู้เข้าใจและศรัทธาในกฎแห่งวิบากกรรมไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆย่อมได้รับผลเป็นบรมสุขปรารถนาสิ่งใดมักได้สิ่งนั้นสมใจอย่างน่าอัศจรรย์และภายในเวลาไม่เนิ่นช้าด้วยแต่เมื่อกี้พ่อหมอบอกว่าอย่างไรก็ไม่มีทางหลุดพ้นจากบ่วงกรรมเก่าได้เด็ดขาดหากยังไม่หลุดจากบ่วงกรรมเก่า และผมจะสวยผลเข้าขั้นบรมสุขได้อย่างไรอุปการะจ้องผู้นั่งตรงหน้าเล็งยานกำหนดดูเหตุการณ์ใกล้ๆที่พอยกตัวอย่างได้เพียงไม่กี่พริบตาก็เอ่ยชัดเร็วๆนี้น้องเพิ่งโดนเด็กไม่รู้คิดคนหนึ่งด่าเอาดือด้อๆใช่ไหมจองเริกถอนใจยอมรับด้วยความเคยชินใช่ครับอยูๆ่ๆมันก็ด่าผมว่าไอ้ควายเล่นเอาสะึกไปเป็นครู่ ถ้าเมื่อก่อนน้องโดนเด็กแปลกหน้าด่าอย่างนี้ปฏิกิริยาจะออกมาท่าไหนก็อาจจะเหลียวซ้ายแลขวาหาก้อนหินเคลีงเจ้าเด็กบ้านนั่นสักทีไม่กลัวมันจะหัวร่างข้างแตกอย่างไรแต่น้องก็ไม่ได้ทำครับพอนึกได้ว่านั่นคงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ต้องชดใช้กรรมก็คอตกและยอมรับสภาพไปถ้าพูดถึงใจละ่ะสมัยก่อนจะผูกโกรธ เก็บความเจ็บแค้นอาฆาตไว้นานแค่ไหนเด็กหนุ่มบังเกิดเบาหัวอกเพราะเริ่มรู้ว่าพ่อหมออุปการะจะกล่าวกับตนอย่างไรเมื่อเดือนที่แล้วใครทำผมเจ็บใจผมจะคิดเอาคืนเป็นสิบเท่าสิบทบและจะคุมแค้นจนนอนไม่หลับไปหลายอาทิตย์แต่น้องก็ไม่ได้ผูกโกรธนี่ใช่ไหมครับผมให้อภัยเด็กคนนั้นภายในนาทีหรือสองนาทีต่อมา หลังจากโปรงตกและคิดได้ว่าเด็กเป็นแค่เครื่องมือของกฎแห่งกรรมวิบากผมนึกห่วงเข้าเสียอีกว่าต่อไปจะต้องเจอวิบากเล่นงานแบบผมไหมการให้อภัยได้ไม่คิดเอาคืนเสียได้โดยปราศจากเงื่อนไขทำให้ใจเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นสุขแปลว่าชีวิตน้องดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นท้งที่กรรมเก่ายังรังควานอยู่ใช่ไหมครับแล้วจองเิกก็ทำน่าสงสัย พอหมอหมายความว่านี่เป็นผลจากการตั้งใจจริงที่ผมจะสร้างเครื่องพยากรณ์กรรมหรืออุปการรสายหน้าเป็นผลกรรมที่เกิดจากการครบบัณฑิตเป็นมิตรหนึ่งแล้วก็ทำใจน้อมศรัทธาในกรรมวิบากหนึ่งเห็นไหมว่าน้องได้ผลอันสมควรแก่เหตุที่ใจตัวเองนั่นแหละตรงตัวตรงไปตรงมานั่นเองการทำความเข้าใจการทำความเห็นให้ถูกตรงการรู้จักว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ หรือเป็นโทษนั่นแหละคือยอดแห่งกรรมอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญสู่ตนไม่รู้จบรู้สิน้เนเด็กหนุ่มสงบนิ่งใจเป็นสุขล้ําสายตาทอดมองบุรุษเบื้องหน้าด้วยแววลึกซึ้งยิ่งถ้าผมสร้างเครื่องพยากรกรรมได้และทําให้คนอีกมากหันมาศรัทธาความจริงเช่นกฎแห่งกรรมวิบากผลสะท้อนก็จะยิ่งได้แรงขยายออกไปมหาศาลต่างจากที่ศึกษา เพื่อให้เข้าใจและศรัท ธ, ธากรรมวิบากตามลำพังนั่นเองที่ความสุขจะเติบโตขึ้นเป็นบรมสุขผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับใช่จองเลิกสูตรลมหายใจลึกหันมายิ้มให้กับนัชเลอย่างอ่อนโยนสติชัดรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยอีกระดับสำนึกที่สูงขึ้นกว่าเคยแล้วเอ่ยเป็นกังวานทุ่มนุ่มเรามีความตั้งใจจริงในการสร้างศรัท ธ, ธากรรมวิบากให้เกิดขึ้น ในหมู่คนจำนวนมากอา น, นิสงมีเพียงใดขอให้ได้กับซายและทุกคนในโลกเท่าเทียมกันนัชเลตั้งใจสดับฟังโล่งหัวอกไปถึงไหนๆนั่นเป็นการเจาะจงเผื่อแผ่ให้หล่นแต่คำว่าและทุกคนในโลกก็สะท้อนถึงจิตที่เปิดกว้างไม่คับแคบจึงบรรดาให้บังเกิดปิติเบิกบานส่านเย็นขณะต้องยิ้มกว้างและผนมมือไหว้กระแสบุญจากมหากุศุจิต ของจองเลิกโดยไม่รู้สึกตัวอนุโมทนาค่ะซายจะพยายามช่วยเริกทุกทางแม้จะมีกำลังน้อยแค่นี้อุปการะพลอยย้มยิ้มอนุโมทนาตามเพราะคำประกาศเจตจำนงของอัจชริยานุ่มมีพลังสะเทือนใหญ่หลวงบรรดาปิติได้ท่วมทน้นแม้ในจิตของผู้ทรงภูมิทำไปเถอะอยู่คู่กันด้วยการบุญนั้นจะให้ผลเป็นความรู้สึก ปรองดองและบรรดาความผาสุกที่ยั่งยืนนานเสมอเด็กสาวโพรงถามด้วยความโสมมนัสถ้าทำให้คนเชื่อกรรมวิบากได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยไหมคะผู้ทรงอภิน ญ, ญา ย, ยิ้มอย่างเข้าใจสัจธรรมจำไว้เถอะไม่ว่าหนูจะมีอิทธิพลต่อโลกมากมายเพียงใดหนูเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากสุดครึ่งหนึ่งเท่านั้นนชเลเอยียงหน้าเล็กน้อย ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นล่ะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะฝืนธรรมชาติคนฟังเหมือนเข้าใจรำไรแต่ทบทวนแล้วรู้สึกว่ายังไม่รู้อะไรเลยธรรมชาติเป็นอย่างไรหรือคะธรรมชาติต้องมีคู่ตรงข้ามไว้ถ่วงดุลให้เกิดการหมุนไปของวัตตะถ้าโลกนี้มีแต่คนเข้าใจและศรัทธากรรมวิบากก็จะเหลือเพียงกำเนิดสวรรค์อายภูมิทั้งหลายจะหายไป นั่นไม่ใช่วิสัยของสังสารวัตรแล้วไม่ดีหรอคะเหลือแต่ทางไปสวรรค์และนิพพานทาไมวิสัยของสังสารวัตรถึงเหมือนกับต้องใจร้ายกับสัตว์ส่วนหนึ่งที่หลงผิดด้วยไม่มีใครใจร้ายหรอกเพราะไม่มีใครไปแกล้งกำหนดไว้ธรรมชาติเขาเป็นของเขาอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแม้พวกเรานั่งคุยกันอยู่นี้ก็คือการแสดงตัวของธรรมชาติเป็นการทางานของ ธรรมชาติคำเก่าคุมรูปของหนูทรายให้เป็นไปตามที่ผมเห็นกรรปัจจุบันคุมคาพูดของหนูทรายให้เป็นไปตามที่ผมได้ยินและกรรมโดยรวมของหนูทรายจะเป็นปราการไม่ให้เขวออกนอกลู่นอกทางไม่ให้เห็นกงจักเป็นดอกบัวนี่ก็ทานองเดียวกันรมของคนที่เขาเห็นผิดก็จะฉุดรั้งเขาไม่ให้มาเห็นถูกเห็นชอบได้ แม่จะชูธงวิทยาศาสตร์นำหน้าไปหาเขาก็ตามประโยคสุดท้ายของอุปการะทำให้จองเริศพยักหน้านิดหนึ่งและกล่าวเสริมสำหรับหลายๆคนปัจจุบันวิทยาศาสตร์ก็เป็นเพียงประเด็นถกเถียงที่ยังหาข้อยุติไม่ได้เท่านั้นแปลว่าถึงแม่เริกจะสร้างเครื่องพยากรกรรมสำเร็จก็ไม่มีทางที่จะแพร่หลายเป็นที่ยอมรับทั่วไปหรือคะคาถามนั้นเพื่อให้อุปการะทานาย แต่แทนการทำนายพ่อหมอกลับกล่าวอย่างเป็นกลางโลกนี้เต็มไปด้วยกลุ่มทุนนิยมลัทธิซาตานและกลุ่มความเชื่อทางศาสนาที่เขาไม่ยอมรับเรื่องกรรมวิบากผมพูดแค่นี้หนูนึกออกไม่ว่าเครื่องพยากรกรกรมจะเจอแรงเสียดทานขนาดไหนเด็กสาวเงยหน้าขึ้นสูงอย่างถึงบางอ้อเข้าใจลคะค่ะทว่าเมื่อนึกอะไรขึ้นได้ก็กังขาอีก สมัยนี้ความรู้ที่พิสูจน์ได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์มักเป็นที่ยอมรับโดยปราศจากอคติเหมือนที่ความเชื่อสืบๆกันมาบอกว่าโลกแบนก็ต้องถูกล้มล้างไปด้วยภาพถ่ายจากอวากาศขอเพียงมีประจักษ์หลักฐานมนุษย์เราก็ใช่จะมัวหลงยึดติด ก, กับความเชื่อประลามประานี่คะความรู้เรื่องโลกกลมไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งสักเท่าไหร่นี่ ความรู้ใดไม่เปลี่ยนเส้นทางกรรมของมนุษย์ธรรมชาติจะอนุญาตให้ความรู้นั้นแพร่หลายได้โดยไม่พบแรงเสียทานมากนักหรอกนกชเลเอ็นหลังผิงพนักยิ้มออกมาด้วยความฉงนระคนทึ่งในความพิสดารพันลึกของธรรมชาติใคร่ครวนแล้วร่ำๆจะเห็นสัจธรรมตามอุปการะกล่าวขึ้นมารางๆแม้แต่ความรู้ก็มีระดับของตัวเอง ว่ามีอภิสิทธิ์หรือเป็นของต้องห้ามเพียงใดเพราะอย่างนี้ใช่ไหมคะาศาสนาที่เอาความจริงมาเปิดเผยเอาประโยชน์สูงสุดมาประกาศแสดงถึงเป็นาศาสนาที่กวาดคนได้นิดเดียวกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่อยากมีใครมาร่วมพวกด้วยเท่าไหร่เมื่อก่อนทรายเคยคิดคิดสงสัยเหมือนกันว่าถ้าพุทธเราสอนให้เห็นตามจริงพิสูจน์ความจริงได้เป็นปัจจุบันอย่างที่สุด ทำไมจึงมีคนศรัทธาเกือบๆจะน้อยที่สุดโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับความเชื่อแนวอื่นคนต้องมีบุญเก่าที่อยากทำให้เปิดตามองโลกตามจริงแล้วก็ต้องมีบุญใหม่เปิดม่านอุปาทานให้ไปรับรู้อะไรๆตามจริงได้นี่นับเป็นเรื่องยากสำหรับสับพพสัตที่เกิดมาพร้อมกับอวิชชาและยินดีจมปลักอยู่กับกามกิเลสเกือบทุกคนล้นก่อกมในแบบที่ทาให้จิตใจมืดมน หรือโปม่านอุปทานบทบางความจริงแน่นหนาขึ้นเรื่อยๆทั้งนั้นจองเลิกเอ่ยแทรกในอเมริกามีการตั้งสํานักเกี่ยวกับจิตวิญญาณกันเป็นหมืน่นแนวเชื่อใหม่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดไม่เว้นแต่ละวันผมพยายามค้นคว้าเรื่องกรรมก็พบลัทธิที่เชื่อเกี่ยวกับกรรมวิบากอยู่มากพอควรนี่ครับความเชื่อเรื่องกรรมวิบากมีมานานก่อนยุคพุทธกาลเสียอีก พวกเขาเชื่อว่ากรรมวิบากมีจริงแต่ก็เชื่อตามที่เขาเห็นด้วยญาณระดับเขาหรือกะเก่งด้วยสติปัญญาแบบเขาหรือคาดเดาเอาตามอัตโนมัติของเขายกตัวอย่างความเชื่อเช่นพึงช่วยสัตว์ให้พ้นทรมานในบ่วงกรรมดำด้วยการฆ่าบูชาเทพเจ้าหรืออย่างเช่นใส่บาตรพร้อมหนังสือโปะจะทำให้ได้กรรมตามปรารถนา เหล่านี้ลวนแล้วแต่สะท้อนความเชื่อกรรมวิบากแบบผิดเหตุผิดผลจองเริกหัวรห์หน่อยๆเกิดความอยากรู้ตามประสาหนุ่มแล้วถึงแม่หวังดีอยากให้หลวงพี่มีความสุขการใส่บาตรด้วยหนังสือโป๊ก็จะไม่ได้บุญเลยหรือครับได้เหมือนกันแต่ได้อัตภาพหนึ่งซึ่งมีกามเป็นเครื่องทารุณทํานองเดียวกับคนต้องทนปวดแสบปวดร้อนเสพกามทั้งมีแผลสด หรือถ้าเขามีวาสนาได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมักมากและตกอยู่ในสถานะลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับกามเช่นหื่นกระหายตลอดเวลาห้ามตัวเองไม่ได้แถมอาจได้อัตภาพหญิงไม่ใช่อัตภาพชายที่เอาแต่สนุกอย่างเดียวทำไมโทษหนักนักละครับเพราะหมู่มนุษย์ย่อมรู้อยู่ว่าพระเป็นมนุษย์พวกที่มีฐานะพลาดจากกามประพฤติตัวเพื่อออกจากกาม เพื่อพรหมจันทร์เพื่อยกระดับจิตให้สูงเหนือโลกการให้สิ่งย้อมใจปลูกเร้าความกำนัดยินดีก็คือลากท่านกลับมาลงต่ำด้วยเครื่องล่อที่เผ็ดร้อนความเผ็ดร้อนนั่นเองที่จะย้อนกลับมาให้ผลในการข้างหน้าเป็นอย่างนี้เองฟังแล้วเพิ่งได้คิดเหมือนกันนะครับถึงแม้เชื่อว่ากรรมวิบากมีจริงแต่จับเหตุจับผลไม่ถูกก็ทําให้ก่อกรรมชั่วทั้งๆ ท, ที่คิดว่ากําลังทําดีอยู่นั่นแหละ ขณะยังมีอวิชชาตันหาอุปทานหนาแน่นคนเราคิดเห็นทึกทักไปได้เรื่อยสุดแต่กิเลสจะสั่งให้เชื่อเพราะอย่างนี้ถึงต้องมีการทำสมาธิชำระ จ, จิตให้สะอาดเสียก่อนใช่ไหมครับคนเราถึงจะรู้เหตุรู้ผลรู้กลไกของกรรมวิบากอย่างถูกต้องเที่ยงตรงขั้นตอนการอย่างรู้เหตุผลและกลไกกรรมวิบากได้อย่างถูกต้องนั้นไม่ใช่ด้วยการทำสมาธิ แต่ด้วยการมีพื้นฐานความเห็นที่ชัดเจนว่าราคะโทสะโมหะนั้นเป็นมูลรากของอกุศลเจตนาทั้งปวงและในทางตรงข้ามความไม่มีราคะความไม่มีโทสะความไม่มีโมหะก็เป็นรากของกุศลเจตนาทั้งปวงด้วยเมื่อรู้ตามจริงอย่างนี้การศึกษาเรื่องกรรมวิบากจะไม่หลงทางเลย จางเลิกตาตื่นตั้งตัวตรงเพราะรู้สึกว่าได้กุญแจสําคัญสูงสุดดอกแรกก่อนหน้านี้เขาพยายามจับทางว่าจะนับหนึ่งที่ตรงไหนดีทว่ายิ่งแตกกิ่งแตกก้านสาขาความเป็นไปได้ของการประกอบกรรมมากขึ้นเท่าไหร่อะไรอะไรก็ยิ่งออกอ่าวมากขึ้นเท่านั้นถ้าบอกว่าโทสะเป็นสิ่งผิดเป็นฝกักฝ่ายกันกับบาปอากุศลอย่างนี้พอเข้าใจได้ง่ายเพราะโทสะเป็นชนวนเหตุ ของการด่าทอการทำลายล้างและการฆ่าฟันกันแต่จะบอกว่าราคาเป็นสิ่งผิดหรือเป็นฝักฝ่ายกันกับบาปอากุศลได้อย่างไรครับในเมื่อมนุษย์เราก็ถือกำเนิดมาจากราคากันทั่วหน้าน้องต้องแยกให้ออกการราคาในฐานะของเหตุให้เกิดรูปกายก็ส่วนหนึ่งการราคาในฐานะของเหตุให้เกิดจิตหมนมองก็ส่วนหนึ่งถ้าน้องเล็งมาที่จิต ข้อสงสัยจะตกไปง่ายขึ้นยังสงสัยอยู่ดีครับฟังเหมือนจิตที่มีราคาคือจิตที่ผิดถ้าไม่ใช้คำว่าผิดแต่ใช้คำว่าเป็นมูลเหตุอย่างนี้จะรับได้มากขึ้นไหมอ๋อราคาเป็นมูลเหตุให้เกิดความบาดหมางใจกันเมื่อไม่ยินยอมมีเพศสัมพันธ์กันจริงไหมราคาเป็นมูลเหตุให้เกิดความบาดเจ็บรุนแรงโดยการข่มขืนจริงไหม เพราะราคาเป็นมุญเหตุให้เกิดการขมเหงน้ำใจกันด้วยการลักลอบเป็นชู้จริงไหมตัวราคาเองปรุงแต่งให้จิตหมนมืดและเศร้าหมองเพียงชั่วขณะหนึ่งแม้ยังไม่เป็นบาปผิดแต่ก็เฉียดกันกับพบที่มืดมนขอเพียงขาดใจตา ย, ตายไปในขณะกำลังมีราคาแก่กล้าคติที่ไปย่อมไม่แจ่มใสสว่างได้เลย จองเริกเม้มปากยังไม่หายครางแคลงแต่ในที่สุดก็รับเบาๆครับรู้สึกจะเห็นอะไรมากขึ้น ว, ว้ากันซื่อๆอย่างนี้เถอะคนเราเมื่อกำลังเล็งโลภอยากเสพกามจัดๆลุ้นแล้วแต่มีความทยานไปในทางต่ำน้องลองนึกถึงหน้าตาและตัวตนขณะราคาแก่กล้าคิดดูซิว่าเหมือนออกไปในทางเข้าป่ารกชัดหรือออกสู่ทางโล่งสบาย ขณะที่จิตถูกปรุงแต่งให้ทึบแน่นด้วยความทยานอยากตรงนั้นคือการเข้าฝักฝ่ายความมืดเข้าฝักฝ่ายอากุศลแม้จะไม่เป็นบาปทันทีก็ตามแต่ขณะที่จิตถูกปรุงแต่งให้ปลอดโปร่งด้วยคลายความกำหนัดตรงนั้นคือการเข้าฝักฝ่ายความสว่างเข้าฝักฝ่ายกุศลแม้จะไม่เป็นบุญทันทีก็ตามครับ หากจิตสำนึกยังเหนือกามก็เสมอตัวแต่หากกลามเหนือจิตสำนึกหลงเสพ บ, บ่อยถึงระดับหมกมุ่นนั่นแหละความมืดเริ่มมาครอบเต็มๆแล้วสังเกตได้ว่าชักคิดแสวงกลามแบบผิดๆแล้วนี่ไงมูชายหญิงที่หมกมุ่นเรื่องกามถึงพากันมีความคิดและคําพูดไปในทางต่ำหรือออกไปในทางเสียแทงทิ่มตําซึ่งก็เรียนแบบอาการหยาบๆทางกายมานั่นเอง แปลว่าถ้ายังทํากรรมอันเป็นไปเพื่อติดอยู่ในกามแบบมนุษย์ก็หมดสิทธิ์ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมการมีราคะอยู่ในขอบเขตคือคู่ผัวตัวเมียเดียวได้กันด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายได้กันด้วยความยินยอมพร้อมใจของผู้ปกครองหรือได้กันด้วยความเหมาะสมอันปราศจากความเดือดเนื้อร้อนใจของใครใคกับทั้งไม่ชักชวนกันประพฤติสำสนสวิงกิ้งตามสมัยนิยม อันจัดเป็นกามที่พึงมีพึงได้ในขอบเขตของศีลห้าและถ้ามีกุศลจิตจากการประกอบบุญด้านอื่นๆทำให้ชีวิตมีจิตที่สว่างอยู่โดยมากอย่างนั้นก็ตายด้วยความผ่องใสได้ถึงระดับสวรรค์จองเลิกจดตามยิกพออุปการะพูดจบเขาก็เงยหน้าขึ้นถามทันทีกรรมอันเจอด้วยราคะโทสะโมหะเข้าข่ายอากุศล ส่วนกรรมอันไม่เจอด้วยราคะโทสะโมหะเข้าขายกุศลถูกไหมครับถูกแปลว่าถ้าไม่เสพกามเลยจัดเป็นบุญเป็นกุศลใหญ่ก็ไม่เชิงคือต้องดูด้วยว่าคนไม่เสพกามนั้นคิดอะไรอยู่หวังอะไรอยู่บางคนไม่เสพกรรมเพื่อมาคุยโวว่าชั้นวิเศษวิโสเหนือกว่าคนอื่นก็มีนี่เรียกว่าเริ่มไม่เสพกรรมกันด้วยความคิดอกุศลแล้ว แล้วอย่างไรจึงเรียกว่าไม่เสพการแล้วเป็นบุญใหญ่ครับก็ด้วยความหวังว่าจะชำระจิตให้สะอาดปราศจากมนทินอันนี้ต้องมีหลักการด้วยเช่นทำกรรมสม่ำเสมอที่เรียกถือศีลแปดเพื่อให้เกิดความปลอดโปร่งมีความพรักพร้อมพอจะปฏิบัติสมาธิภาวนาให้ก้าวหน้าหรือที่สูงส่งกว่านั้นคือพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเห็นการเสพกามเป็นเครื่องขวางความหลุดพ้น ก็ดำริที่จะละเสียเพื่อดำเนินตามมันคาของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนครบถ้วนเต็มขั้นกระทั่งพ้นทุกขพ้นอุปทานหลงผิดทั้งปวงสรุปคือกรรมที่ประเสริฐสุด ต, ตามมุมมองของพุทธศาสนาคือการตั้งใจปลดปล่อยจิตจากบาปอากุศลและอุปทานครอบงำทั้งปวงถูกต้องจองเิกขอปา ก, กาลงกับสมุดบันทึกด้วยสติที่ตื่นโพง หากกฎแห่งกรรมวิบากอันสลับซับซ้อนยืนพื้นอยู่บนศูนย์กลางที่เข้าใจได้ง่ายๆข้างต้นก็ถือว่าเขาพบเขาเงาของการเริ่มประดิษฐ์เครื่องพยากรณ์กรรมจริงๆแล้วขอบคุณครับคิดว่าผมคงออกจากจุดเริ่มต้นได้ด้วยเกณฑ์ที่พ่อหมอว่ามานี่เองหากปราศจากหลักเกณฑ์หรือเครื่องชี้วัดว่าอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลผมคงต้องวิ่งวนอยู่แถวๆจุดเริ่มต้นอีกนาน อุปการะเล็งดูระบบความคิดของจองเลิกแล้วเกิดความทึ่งหนุ่มเก่งคนนี้มีรูปความคิดที่มหัศจรรย์ซึ่งพบไม่ได้ง่ายๆในคนทั่วไปคือเมื่อเกิดประกายปัญญาสว่างว่าขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็จะเกิดกิ่งก้านสาขาทางความคิดแตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวางมีความสลับซับซ้อนและเป็นระเบียบยิ่งแม้ขณะพูดอยู่แท้ๆกิ่งก้านความคิดก็ยังแตกออกไปเป็นระยะ น้องเป็นคนคิดเร็วมากนะได้หน้าไม่ลืมหลังแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีไฟทยานแรงดีเสียด้วยอดไม่ได้ที่จะเอ่ยชมซึ่งโดยทางใดทางหนึ่งเด็กหนุ่มสามารถสัมผัสได้ว่ากินก้าสาขาความคิดของตนกำลังถูกอ่านอย่างละเอียดพ่อหมอเห็นความคิดของผมอย่างนั้นเวลาผมคิดอะไรพอจะให้คำแนะนำว่าถูกทิศหรือผิดทางบ้างได้ไหมครับอะไรๆ อ, อาจจะลสั้นเข้า อุปการราสันสีสะอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจผมเห็นสายความคิดของน้องยืดออกจากจุดเริ่มต้นแยกซ้ายแยกขวาและมีขแขนงย่อยงอกเงยออกมาโดยสาขาอื่นๆไม่เลือนหายนั่นทำให้รู้ว่าน้องเป็นคนคิดแบบได้หน้าไม่ลืมหลังและการเห็นกินก้านแขนงความคิดของน้องแตกออกไปเป็นระเบียบชัดเจนในช่วไม่กี่พริบตาก็าทาให้ทราบว่าน้องเป็นคนคิดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาที่น้องคิดมันเกินขอบเขตพื้นฐานความรู้ของผมผมไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์ลึกซึง้งเพียงแค่สัมผัสแต่ว่าน้องกำลังตรึกนึกเกี่ยวกับรหัสระดับจิ๋วมากๆซึ่งเป็นรากฐานของกายมนุษย์ใช่ครับงั้นผมขออธิบายให้พ่อหมอฟังเผื่อพ่อหมอสามารถให้คำแนะนาที่เป็นประโยชน์ชี้นาให้ผมเชื่อมโยงกรรมวิบาศเข้ากับรหัสมนุษย์ได้มากขึ้นเอาซีลองดู คือเอ่อเชงักคิดอย่างไม่ทราบจะเริ่มอธิบายเป็นภาษา ธ, ธรรมดาอย่างไรอธิบายเป็นคำพูดธรรมดาของน้องเถอะอุปการะบอกอย่างทราบข้ออึดอัดลำบากของอีกฝ่ายเอาแบบที่พูดให้หนูสายฟังก็ได้จิตผมจะเห็นเป็นฉากฉากเองว่าอะไรเป็นอะไรครับจองรลิศกระแอมก่อนเริ่มสาธยายทุกชีวิตเคยเป็นเซลเล็กๆ เ, เพียงเซลเดียวมาก่อนแต่ก็ได้ทวีตัวมากขึ้นเรื่อยๆจงกลายเป็น หลายล้านนับไม่ถ้วนและถึงแม้จำนวนเซลล์ในกายเราจะมีมากมายเหมือนเม็ดทรายในกระบะแต่แกนของทุกเซลล์จะมีข้อมูลเหมือนเหมือนกานหมดทานองเดียวกับที่ใครได้เลขประจำตัวเป็นอะไรองค์ประกอบร่างกายทุกชิ้นของเขาก็จะต้องใช้เลขประจำตัวนั้นเสมอ อ, มอุปการะครางรับอย่างเข้าใจจากจิตเพราะวิชารู้กายตามจริงของพระพุทธเจ้า ทำให้เขาเคยมีประสบการณ์เห็นกายเป็นนิมิตที่ย่อขยายได้ตามใจนึกเมื่อขยายแล้วก็จะเข้าไปเห็นชิ้นส่วนต่างๆอย่างละเอียดและละเอียดลงไปถึงระดับอนูเนื้อยิ่งกว่าใช้กล้องจุลทรรศขยายดูเยื่อบางบนจานแก้วเสียอีกเพียงแต่บอกไม่ถูกว่าสิ่งที่เห็นเป็นไปต่างๆเหล่านั้นนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าอะไรบ้างด้วยวิทยาการในวันนี้จองเลิกอธิบายต่อ ถ้าดึงเส้นผมเส้นหนึ่งออกมาจากหนังหัวของเราแล้วสอยย่อยออกเป็นร้อยเป็นพันส่วนเพื่อ น, นำไปผ่านกรรมวิธีทางเคมีบางอย่างเราจะสามารถแยกเอาสิ่งที่อยู่ในแกนของเซล์ออกมาสิ่งนั้นเรียกว่าสายใหญ่ DNA อุปการะพยักหน้าอย่างผู้ทรงฌานที่สามารถรับข้อมูลลี้ลับได้รวดเร็ว DNA นี่ใช่ไหมที่น้องเชื่อว่าเป็นแหล่งรวมข้อมูลทั้งในอดีตปัจจุบัน และอนาคตของคนคนหนึ่งครับเด็กหนุ่มประสานมือโน้มตัวเข้าไปข้างหน้าถ้าเราสามารถหาลำดับการเรียงตัวของ DNA ก็จะได้รหัสอะไรอย่างหนึ่งเข้ามาเก็บในรูปข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ใช้งานวิเคราะห์ตามต้องการได้ง่ายซึ่งปัจจุบันมีการเขียนไว้ในแบบเรียนเพียงว่ารหัสพันธุ ก, กรรมทำหน้าที่บังคับควบคุมให้รูปร่างหน้าตาของมนุษย์เป็นไปต่าง หรืออาจเป็นปมเหตุให้เกิดโรคผิดปกติเช่นมะเร็งแต่น้องจะเปลี่ยนความเชื่อเดิมพิสูจน์ให้เห็นว่ารหัสพันธุกรรมทำอะไรมากกว่านั้นครับผมจะลงลึกไปถึงเหตุผลลี้ลับว่าทำไม DNA ของแต่ละคนถึงมีการเข้ารหัสในแบบหนึ่งๆนันชเลเพิ่งเข้าใจความคิดของแฟนหนุ่มกระจ่างเธออาศัยความเชื่อทางพุทธสันนิษฐานว่าเบื้องหลังการเข้ารหัสพันธุกรรม ก็คือกรรมเก่าในอดิตชาติของคนคนหนึ่งใช่ไหมจองเร่อพ ง, งกศรษะเราฝากอนาคตที่เหลือทั้งหมดของตัวเองไว้กับความเชื่อมั่นในพุทธศาสนาและยานอย่างรู้ของพ่อหมออุปการะถ้าหากเรื่องกรรมวิบากไม่จริงชีวิตของเรานับแต่นี้จะเป็นไปเพื่องานวิจัยที่สูญเปล่าแต่ถ้าพุทธศาสนาและพ่อหมอพูดถูกก็แปลว่าคุ้ม ที่เราจะอุทิศทั้งชีวิตที่เหลือให้กับเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวรหัสซับซ้อนขนาดนั้นเธอจะตั้งต้นโยงเข้ากับเรื่องของกรรมวิบากได้ยังไงก็ต้องค่อยๆหาความสัมพันธ์ไปเช่นหากถอดรหัสพันธุกรรมของคนสวยคนหล่อออกมาเปรียบเทียบหาส่วนที่เหมือนกันได้ชัดๆเราก็จะรู้หละว่าส่วนนั้นๆเป็นร่องรอยที่เกิดจากการทำทานด้วยศรัทธาหรือรักษาศีลได้สะอาดหมดจด ทิศทางการค้นคว้าที่ไม่มีคนนำทางมาก่อนนี่ท่าทางจะยากเอาเรื่องเหมือนกันนะไม่มีคนนำไว้ก่อนก็มีข้อดีเหมือนกันเราจะได้ไม่ติดอยู่กับกรอบความเชื่อแบบไหนๆด้วยไงอย่างเช่นเราอาจตั้งโจทย์ขึ้นมาเล่นๆว่าถ้าโหราศาสตร์เป็นเรื่องจริงก็น่าจะมีความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งดาวกับรหัสพันธุกรรมถ้าพบความเกี่ยวโยงที่แน่นอนระหว่างการเรียงตัวของดวงดาว กับการเรียงตัวของ DNA หลายสิ่งหลายอย่างก็จะรวบรัดสั้นเข้าเช่นเอาข้อมูลเด็ดๆจากตำราโหราศาสตร์มาประยุกในทางใดทางหนึ่งโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นคว้าเอาเองนชเลยิ้มกว้างในตามีประกายความหวังแจ่มจรัสงานของเธอจะต้องอยู่ในบันทึกหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์แน่ๆเลยเิกจ๋าพอเห็นความคาดหวังอันเริงรองในแฟนสาวสีหน้าของเขากลับสลดลง เราคำนวณดูขั้นตอนการค้นคว้าวิจัยทั้งในส่วนความพยายามถอดรหัสเปรียบเทียบรหัสพิสูจน์ความสัมพันธ์กับกายวิบากตลอดจนกระทั่งการเก็บสถิติทดสอบความแม่นยำในการพยากรณ์อาจต้องใช้เวลาเกินอายุขัยของมนุษย์คนหนึ่งไปมากนะทรายแถมเงินพันล้านของเราที่นึกว่ามากแล้วก็อาจน้อยเกินไปเสียอีก